พระในสิทิ์ทุกท่านที่มาบวชในวัดหลวงพ่อหลวงพ่อครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจทุกๆท่านหลวงพ่อเองก็ไม่ได้หนักใจแต่ก็มีการอบรมมีการพูดกันทุกเย็นเป็นเสียแต่หลวงพ่อมีธุระแต่ถึงยังไงก็พยายามให้มีการอบรมทุกเย็น ถ้าจะว่าไปแล้วการอบรมของพระกรรมฐา น, นยอยู่ในป่าจะให้เหมือนกับพระอยู่ในเมืองมีการสอนกันเหมือนกับพระอยู่ในเมืองไม่มีโดยมากก็มีแต่ตอนเย็นตอนเช้าตอนเช้าการฉันร่วมกันก็มีการพูดบ้างแต่บางวัดก็ทันคนไม่ไดพูดแต่ตอนเย็นก็ทําวัดเย็นทุกวันครูบาอาจารย์ก็อบรม ในขณะนั้นแต่จะให้สอนกันตอนเที่ยงตอนบ่ายจะไม่ค่อยมีแต่ทางฝ่ายปริยัตท่านสอนกันอย่างนั้นถ้ามาสรุปแบบง่ายๆในภาคปฏิบัติของภาคกรรมฐานเรียกว่าภาคปฏิบัติโดยมากจะเหมือนกับลักษณะมหาวิทยาลัยเปิด พอให้ข้อคิดหรือแนะนำสั่งสอนเป็นที่เข้าใจกันแล้วนักศึกษาทั้งหลายก็เอาไปค้นคว้าเองค้นตำรับำรายเองก็ในลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงพระปฏิบัติครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยโดยมากท่านจะประชุมอบรมด้วยวเทศให้ฟังการเทศก็คือการแนะแนวนั่นเองวิธีเบื้องต้นทำยังไงเดินจะกมมทำยังไง นั่งสมาธิทำยังไงแล้วคิดยังไงขณะที่ทำนะให้คิดยังไงแล้วให้กำหนดอย่างไรถ้ามันออกจิตใจมันปุงฟุ้งออกไปให้กำหนดอย่างไรให้มันเข้ามาอย่างไรอันนี้เมื่อสอนเสร็จเป็นที่เข้าใจกันแล้วผู้ดได้ได้ยินได้ฟังก็ออกไปนำไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้านั่งอย่างไงเดินจงกรมอย่างไง กำหนดอย่างไรในเมื่อทําไปแล้วได้ผลอย่างไงไม่ได้ผลอย่างไรอันนี้ก็กลับเข้ามาหาครูบาอาจารย์อีกบอกว่ากระผมทํามันเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อผู้ผู้เป็นครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนําเออเอาปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้จะให้เสมอกันจะให้เหมือนกันทุกองค์ ไม่เป็นอย่างนั้นนะในการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจเลยเหมือนกับทำ ม, มาหากาเลี่ยงชีพนั่นนะคนหนึ่งถนัดทางหนึ่งคนหนึ่งถนัดทางหนึ่งจะให้มีอาชีพอย่างเดียวกันหรือว่าถนัดอย่างเดียวกันเป็นไปไม่ได้ในภาคปฏิบัติก็เหมือนกัน mm. มีเศรษฐีท่านหนึ่ง mm. ในกรุงสวรรค์ถี mm. ลาพ่อแม่ออกไปบวช พอไปบวชแล้วท่านภาษาริบุตรเป็นพระอุปชาท่านภาษาริบุตรเป็นพระอุปชาเป็นผู้สอนกรรมฐานพอบวชเสร็จแล้วท่านก็สอนกรรมฐานหเกสาโลมานข า, าทันตาตะโจท่านต้องพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะจากนั้นพระอนั้นพระที่บวชใหม่ท่านก็นําไปประพฤติปฏิบัติพิจารณาอย่างที่พระอุปชาสอน พอสอนกลับมาเออพระอุปชาครับผมภาวนามันเป็นยังไงมันไม่สงบอุปชาก็สอนให้ละเอียดลงไปอีกการพิจารณาต้องแยกแยะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก่อนที่จะแยกแยะเนะี่ยต้องทําจิตให้สงบอย่างนี้ซะก่อนเมื่อจิตสงบดีเรียบร้อยแล้วให้พิจารณาแยกแยะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระอุปชาก็สอนลูกศิษย์ก็ไปอีกทำอีก พอทำได้หลายเดือนกลับมาอีกกลับมาก็บม่อบอกอุปช้าอีกว่าการปฏิบัติของผมนี่พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ลงมันออกไปอย่างนี้อย่างนี้อุปชาก็สอนให้ละเอียดลงไปอีกอไม่ใช่สอนธรรมนาภ菩萨รีบุตรสอนมืนกัสอนเป็นคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นสอนมาแล้วแต่สอนพระองค์นี้เนี่ยทาไมสอนมันมันไม่ได้ มันทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เราก็สอนละเอียดแล้วก็ถา ม, ถามพระที่ไปนะที่ไปด้วยที่ไปปฏิบัติด้วยนะไปยังไงพระของเนี้ยนะไปแล้วเขาตั้งอกตั้งใจภาวนาไหมไม่ใช่ว่าไปแล้วไปนอนทั้งวันทั้งคืนแล้วกลับมาถามว่าไม่ได้ผลเนี่ยเขาทำไหมเขาลงมือทํำไหมเห็นเขาทํำไหม พระที่ติดตามที่ไปด้วยการโอ้โหเขาทําความเพียรอย่างเข้มง ว, วดขวดขันมากพระอุปชาครับทั้งวันทั้งคืนเขาเดินย่างโกมเขานั่งภาวนาเอาเป็นเอาตายจริงจริงแต่ว่าผลออกมาไม่ได้ผลเอ๊ะพระอุปชาเขาอ่อนใจว่างั้นเถะอ่อนใจในลูกศิษย์เนีเพราะว่าสอนองค์อื่นเนี่ยได้ผลทุกไลน์แต่สอนองค์นี้ทําไมไม่ได้ผล สอนเท่าไรไม่ได้สามครั้งแปลว่าแจงรายละเอียดให้ฟังนะครั้งที่สามเนะี่ยงมีเท่าไรเปิดไส้เปิดภผงให้ฟังหมดเลยในฐานะอาจารย์คีอว่าไม่มีกำมืออยู่ในอาจารย์เลยเนหะือนั้นเลยสอนให้หมดทุกเลี่ยเหลี่ยมที่ในภาคปฏิบัติแล้วแต่ลูกศิษย์ภาวนาไม่ได้เลือกกับมาหาอีกครั้งที่สามอุปชากับวัดปัญญาเหนะือนนั้นเลยขนาดพระอทหารหมดปัญญาเหมือนเอ๊ อันนี้คงไม่ใช่วิสัยของเราแล้วไม่ใช่ฐานะของเราที่จะสอนองค์นี้คงจะเป็นวิสัยของพระพุทธเจา้าย่งไม่ใช่วิสัยของเราที่จะสอนพระโอเนี้ยเราสอนงดตําราของเราแล้วภาษาญี่ปุ่นก็เลยนําพระโอ้นั้นเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเขาไปกราบพระพุองค์พระภาษาญี่ปุ่นก็กราบพูดพระพุทธเจ้าอ่ะอันนี้เป็น ส, สานุสิทธิ์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนบวชให้ ข้าบองค์ได้สอนกรรมฐานให้แก่เขาเป็นครั้งที่สามครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามแต่ก็ได้สืบสอบถามดูว่าท่านเป็นผู้ตั้งใจดีปฏิบัติโดยสม่ำเสมอเป็นผู้เอาจริงเอาจังแต่ว่าผลออกมานั้นไม่ได้รับความสงบเท่าที่ควรพระ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าสาลีบุตรพระองค์นี้สิทของท่านองค์นี้ไม่ใช่วิสัยของท่านจะสอน เป็นวิสัยของเราตถาคตที่จะสอนพระองค์นี้เอาเถอะนะพระพุทธองค์พระพุทธเจ้ากับท่านก็บอา้าท่านนะในตังใหจภาวนานะนี่เอาดอกบัวเอาดอกบัวเนี่ยไปเพ่งดูท่านก็คว้าเอาดอกบัวอิติอิติปฏิหารนะี่ยสอนเราอิทธิปฏิหารบ่าท่านคว้าเอาดอกบัวที่หลังข้างข้างหลัข ง, ขงของท่านที่นั่งของท่านท่านเอามาให้ พระองคนั้นเป็นดอกบัวทองคํำเหมือ น, น ด, ดอกบัวทองคําำนะโอ้รู้สึกว่าทั้งกลีบทั้งตัวสวยงามมากที่เอามาให้พระ อ, องค์นั้น่ะทองคําเหมือนเขาเอาอกเข า, า, า, าออกมาจากเบ้าใหม่ๆอย่ า, ย า, ยายงนั้นนะเออทั้งสีใสสดสวยง ด, งดงามหมดพอพระ อ, องค์นั้นเห็น ทองดอกบัวทองคำท่านั้นน่ะโอ้โหรู้สึกมันซึมลึกเข้าหัวใจเลยโอ้โหวดอกบัวนี่ทาไมสวยขนาดนี้เราไม่เคยเห็นดอกบัวทองคําด้วยว่าเห็นที่ไหนสวยขนาดนี้พระนั่งเกิดรับดอกบัวจากพระพุทธเจ้าพอรับไปเสร็จแล้วก็ประคองสองมือพรธองค์บอกว่าให้ไปอยู่ในสถานที่สงบนะไปอยู่ทางหลังวัดแล้วก็กวาดทรายขึ้นมาเป็นกองแล้วเอาเสียบดอกบัวลงไปในกองทราย แล้วให้ท่านนั่งกําหนดดูดอกบัวให้ท่านเพ่งดูดอกบัวให้ท่านดูมองดูดอกบัวคือภาพนั้นท่านก็อยากดูอยู่แล้วเพราะมันสวยงามเลยแปลว่าในใจของท่านเนี่ยโอ้โหมันซึมลึกเลยจากนั้นก็ท่านก็มากำไปหาที่สงบหลังวัดวอดกองทรายขึ้นมาเป็นกองแล้วเสียบดอกบัวจากนั้นท่านก็กำหนดเพ่งดูดอกบัวนี่สวยจริงๆสวยงามจริงๆ สวจริงๆสวยงานจริงๆยู่ในใจอย่นั้นแต่ทีนี้ดอกบัวดอกนั้นอะ่ะพอเพ่งดูไปนานๆมันก็เศร้าหมองบัตคล้ายๆว่ามันเศร้าลงไปเรื่อยๆเพราะเพราะดอกบัวอิทธิฤทธิ์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทําท่านให้ทําเป็นให้พระองนั้นดูเนี่ยดอกบัวนั้นก็เศร้ามองลงเศร้าเศร้าเศ้ามองจ น, นเกือบจะว่าดําปีพระ อ, อนั้นก็เลยอดอกบัวนเนี่ย แต่ก่อนก็สวยงามจริงๆแต่บัดนี้รู้สึกว่าเศร้าหมองเห็นได้ถนัดตาทั้งที่ไม่นานเลยพอท่านเห็นดอกบัวเศร้าหมองท่านก็พิจารณาร่างกายของท่านว่าเออร่างกายคนจะเป็นผู้ใดก็ตามที่แรกก็เสรสวยงดงามเออเป็นปังสดใสแต่ต่อไปก็ต้องเป็นคนเฒ่าแก่ชราอันนีจจ้อางของไม่เที่ยง พอเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงเท่านั้นแหะมันซึมว่าบขสู่หัวใจตันี่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทั้งหมดในโลกในจักรวาลจะเป็นคงอยู่ได้ตลอดอนันตการเป็นไปไม่ได้ขนาดดอกบัวสวยๆขนาดนี้ยังเป็นอนิจจังให้เห็นต่อหน้าต่อตาเพราะนั้นร่างกายของเราก็ต้องเป็นอนิจจังแน่นอนแต่เราจะเห็นหรือไม่เห็นยังไงก็ตามแต่เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงจริงๆพอเห็นเท่านั้น ใจิตใจของท่านก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจของท่านได้เป็นพระรหันในในขณะนั้นเลยเหมือนกันเลยได้สำเร็จเป็นพระรหันในขณะนั้นในเย็นวันนั้น<อ>กลับไปกราบพระพุทธเจ้ากลับเข้าไปกราบพระสารีบุตรท่านว่าหมดความสงสัยในพระศาสนาแล้วไปอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระสงฆ์หลายก็แปลกใจว่าทําไมพระองค์นี้ จึงได้ใช้ดอกบัวทองคำเป็นอิทิลิ์ของพระพุทธเจ้าทำไมไม่สอนอย่างองค์อื่นๆพระพุทธองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าในอดีตชาติของเขาพระองค์นี้เคยเป็นช่างทองเคยเป็นช่างตีทองเคยทำทองขายเครื่องประดับทั้งหลายพอแล้วก็ทําแล้วเขาคิดแล้วคิดอีกมองแล้วมองอีกจินตนาการแล้วจินตนาการอีก เพื่อจะให้ทองของอีกตัวเองสวยงามที่สุดแบบนั้นนี่คือช่างทองเพราะฉนั้นภาษาลิบุตรสอนให้พิจารณาอสุภาษเนี่ยอสุภาษปฏิกูลมันไม่เข้ากันจิตใจมันไม่เข้ากันเพราะนั้นมันชอบอะไรก็ต้องให้เอานั้นให้เอานั้นนําหน้าซะก่อนพอเห็นของชอบจิตใจมันเข้าไปติดกึกพอเข้าไปติดพอติดเสร็จแล้วใจยอมรับแล้วทตนี่ สิ่งเหล่านั้นให้เห็นเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเกิดความเศร้าหมองขึ้นมานั่นแหะทีนี้เขาจะเห็นความสวยงามทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่จะให้ท่านพิจารณาสุภาษิตที่แรกเลยมันเข้าไม่ได้กรรมฐานไม่เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นการสอนกรรมฐานในครั้งพระพุทธเจ้าบางองค์ก็เป็นพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการสอนกรรมฐานจะให้เป็ น, ปนแบบเดียวกัน เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงวางกรรมฐานสี่สิบอย่างให้แกพระสงฆ์นิสสานุสิตทั้งหลายพิจารณาภาวนาเพราะนั้นที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเออกำหนดลมหายใจเข้าออกนะอันนีะนะ้กรรมฐานนีถูกกับทุกจริตที่ได้ปฏิบัติมาจริตก็คืออะไรพุทธานุสติ พุทธพุทธจริตพุทธะจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตอราคะจริตชอบสวยงามโทสะจริตชอบเป็นคนขี้โกรธแล้วพุทธะจริตชอบเป็นคนนึกคิดวิตกจริตวิตกจริตคล้ายๆเป็นคนชอบวิตกกังวลคิดนี้แล้วอย่างคิดนั้นคิดนั้นคิดนี้จะเดินหน้าถอยหลังเท่ากันมั้งนันอันนี้พวกวิตกจริต อราคาจริตชอบสวยงามอะไรปริตฐ์ปรดอยสวยงามทั้งนั้นเหมือนกันเลยโทรสาจริตอะไรไม่ได้เห็นคนโมโหโทโศกขี้โกรธทันทีเลยอันนี้วันโทรสาจริตอแต่พุทธาจริตเนี่ยเป็นคนชอบคิดใช้เหตุผลพนั้นจริตของคนให้ใช้อย่างไงในกรรมฐานโทรสาจริตให้ใช้เมตตาเป็นหลักะ ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็มี้องต้องการความสุขอย่างที่เราต้องการขอให้ท่านจงเป็นสุขขอให้เราจงเป็นสุขจิตใจก็จะได้เย็นลงเพราะว่าไม่ได้เพ่งมองเขาไม่ได้ผูกอาคาดพยาบาทเขาลูกเดียวอย่างั้นถ้าเขาพยาบาทอาคาดเราเป็นยังไงเราก็อยู่ลําบากเหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงให้ตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขแผ่ให้มีเมตตาในจิตใจ อันนี้แปลว่าผู้มีโทสะเป็นพื้นฐานต้องใช้เมตตาให้มาก อ, อจะเดินไปที่ไหนก็ตามเห็นสัตว์อะไรสิ่งมันก็ต้องการความสุขอย่างเราเราก็ต้องการความสุขอย่างสัตว์ทิรักษาทั่วทั่วไปเหมือนกับคนทั่วทวไปเพราะนั้นอย่าไปโกรธให้เขาอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปปองร้ายเขาอย่าไปฆ่าเขาลักษฐานั้นอันนี้คือเมตตาในจิตใจคนที่มีโทสะให้มีเมตตาใช้เมตตาให้มาก แต่ถ้าว่าคนผู <spe aker> ้ใดมีราคะจริตเป็นเจ้าเรือนเห็นที่ไหนชอบสวยชอบงามชอบรักใครเรื่องต่างต่างหญิงชายวัสดุสิ่งของท่านให้พิจารณาอสุภะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายในที่สุดเป็นอนิจจังทั้งหมดหาความเที่ยงแท้แน่นอนแน่นอนไม่ได้อันนี้คือคนที่มีราคะจริตเป็นพื้นฐานในจิตใจ ให้พิจารณ า, รณาสุภาให้มากถ้าคนวิตกจริตทำยังไงคนวิตกจริตให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคือให้จิตให้ใจอยู่ในปัจจุบันอย่าไปวิตกถึงอดีตจะวิตกถึงอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้รู้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดอย่าไปวิตกกังวลอย่างอื่นถ้ามันวิตกไปก็ดึงกลับมาให้อยู่กรรมาฐาน กดลมหายใจเข้าหายใจออกการเคลื่อนไหวของร่างกายไปที่ไหนไปที่ไหนเดินไปยังไงให้มีสติในการก้าวเดินให้มีสติอยู่กับตัวเองอันนี้จะแก้ลักษณะวิตกจริตได้แต่พุทธจริตนั้นจะพิจารณาอะไรก็ได้นี่แหละคือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเป็นพื้นฐานเพราะนั้นให้รู้จัก อุปนิสัยของตัวเองนิจจริทธของตัวเองว่าเราเป็นจริตอย่างไรจากนั้นก็ได้นํนากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้นํามาประพฤติปฏิบัตินี่แหละการสอนลูกศิษย์เนี่ยจะให้สอนแบบเดียวกันไม่ได้เพราะฉนั้นสอนใคร้ายๆว่าสอนแบบปลูพมไปก่อนอางนนานะแบบแบบปูแบบยาวไปก่อนแต่ศิษย์ผูดเข้ามาศึกษา จะต้องจับปอจุดไหนไประเด็นไหนนํามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงเมื่อได้รับกรรมฐานหรือว่าได้รับยาที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตัวเองเออจิตใจของเราได้รับความผ่มเย็นผ้าสุขใจของเราเย็นสบายเมื่อได้รับกรรมฐานอันนี้อันนั้นแปลว่ากรรมฐานถูกกับจริตจากนั้นก็นําไปประพฤติปฏิบัติทําให้ยิ่งขึ้นไป ผู้นั้นจะได้รับผลในการปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าภาษารีบุตร้น ท, ท่านเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้รับรู้ได้รับทราบ ว, ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่วจริลีแบบเดียวกันทั้งหมดแต่พระองค์นั้นท่านก็เป็นพุทธวิสัยเหมือนกันแต่พระพุทธองพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนได้ แล้วก็มีหลายองค์ที่ท่านยกมาเป็นตัวอย่างในพระไตรปิฎกนะเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเป็นฟังเอาไว้เพรางั้นแต่บางองค์บอกว่ากรรมฐานอย่างนี้แหละถูกต้องกรรมฐานอย่างอื่นผิดแปลว่าอาจารย์องค์นั้นแคบเกินไปมองในมุมเดียวเกินไปว่ายกจ้องตัวเองเกินไป ตังที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทําอย่างนั้นหลักของพุทธศ า, าสนาถ้าเราศึกษาเข้าส่วนรึกแล้วจกไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นท่านจะปล่อยให้วงกว้างสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ว่าถึงยังไงก็อยู่ในกรอบกรอบของกรรมฐานถ้าออกนอกกรอบอย่างภาวนาไปแล้วเห็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรมเ อ, อเห็นนรกเห็นเปรตอันนั้นเป็นนิจจลิทิ์นิสัยของแต่ละคน แต่ว่าไม่ควรจะส่งเสริมถ้าครูบาอาจารย์ฉลาดแล้วท่านไม่ควรจะส่งเสริมท่านบอกว่าไม่ควรจะดูอย่างนั้นไม่ควรจะออกจะไม่ควรจะให้ส่งจิตไปอย่างนั้นถ้าส่งจิตไปอย่างนั้นไม่ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเผิ่เป็นบ้าได้ง่ายๆส่งจิตออกนอกเพราะฉะนั้นจะให้ส่งจิตออกนอกท่านต้องมีวิธีให้กําหนดอย่างไงจึงจะไม่ให้ไปไปลักษณะอย่างนั้นอันี้ครูบาอาจารย์ ที่ท่านที่อบรมสั่งสอนท่านจะไม่ให้ส่งออกแต่บางองค์พอเห็นอย่างนั้นยิ่งส่งเสริมเอออันนี้ถูกต้องแล้วก็มีต่างมากมายมีหลายๆคณาจารย์เหมือนกันเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่ว่าสายขององค์หลวงปู่มั่นถ้าเห็นนิมิตอย่างนั้นแล้วท่านไม่ให้ส่งออกไปท่านไม่ให้ดูสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ในโลกจั ก, กรวาลเหมือนกับเราอยู่ในโลกเราจะมอง ไปที่ไหนเราก็เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเออเห็นได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเห็นที่ศักดิ์เห็นเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นผู้เกี้ยวแก้วกล้าแล้วก็เป็นผู้เฉลียวฉลาดว่าเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างอืม응ถ้าคนในโลกนี่คนตาดีก็ต้องเห็นได้เองถ้าคนตาบอดมองไม่เห็น เ, เพราะนั้นการเห็นสิ่งใดก็ตา ม, มองส่งจิตออกไปนอกไม่ดีท่านไม่ส่งเข้ามาดูเข้ามาใจของเรา ต้นตอทั้งหลายที่ไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจัดใจทั้งหมดกิเลสทั้งหลายอยู่ในใจคนนั้นให้ดูใจดูที่ใจแก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจอย่างกิเลสมันอยู่ในใจของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนนั่นตัวเหตุทั้งหลายคือใจเพราะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านสําเร็จสําเร็จสําเร็จที่ไหนดูที่ใจของท่านปล่อยวางที่ใจของท่านหลุดพ้นที่ใจของท่านนั่นน่ะ พลหลารอยู่ที่นั่นเหมือนกันผู้บริสุทธิ์อยู่ที่นั่นวันนี้หลวงพ่อเนี่ยพูดจะยืดยาวอตอนนี้ไปรับพรท่้อนุมโมทนาให้พรสัพพรง